พอสามก็ต้องออกจากโรงเรียนนะไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินยี่สิบเท่า้อไปค้าขายนะขายแล้วสลร่ขา ย, ายน้งสือพิมพ์หลังก็เอาเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาขายก็ไม่ค่อยได้เงเินเท่าไหร่นะพอโตขึ้นก็แยร่ยขยายไปค้าขา ย, ขาขายในที่กไกลๆเรียกว่าตะเวนตะเวน เ, เอาของไปขาย พ่อเนี่ยก็มีรถกระบะเก่าๆนะก็ยืมรถพ่อไปเอาเสื้อผ้าไปขายตามหมู่บ้านต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นใ น, น, น, นหมู่บ้านบ้านเรานี่เคยมีรถตกเก่าเอ า, าของมาขายบางทีก็เป็นพวกเสื้อผ้าบางทีก็เป็นอุป ก, กรณ์ของใช้ก็เอาไปขายนั่ น, น, นกหละก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ น, น ถ้งเป็นาขารับขายมาเกืปีแล้วใน20กว่าก็ยังเรียกว่ายาก จ, จนนะอยู่เหมือนเดิมชักนำไม่ถึงหลังนะีคราวหนึ่งก็ขับรถประเวนไปจนถึงพิษณุโล ก, ก, นน ก, กนนะในการอุติจิตนะพิถีพิถัโลกก็จังหวัดติ ก, กันไปพิษณุโลกก็ไปนี่ก็ต้องไปวัดมหาธาตุนะ ภาษีรับน้ำหาดพลาดปการะพุทชินราชเนี่ยประกาเนี่ยพระพจินราเราก็เสาพรม็จะทานพอให้ประสบโชคใชแนะ่แล้วก็ไปวัดนะแล้วก็ไปค้าขายัรถไปค้าขายตามเดิมก็วันนั้นก็มเคยมีลูกค้าเลยลนั่งพักเหนื่อยขณะที่นั่งพักนี่ก็เห็นรถสาเลิงรถสาเลิงก็คือรถขน ข, น ข, นขนยานั่นแหละนะ ขับผ่านมาแปลว่าคงจะหยุดพักนะตรงจุดเดียวกันจะเลยพูดคุยสับถามว่าในขยะที่เก็บเนี่ยนะเก็บที่ไหนจะไปขายอย่างไรราคาเท่าไหร่แนละขยาอะไรบ้างที่ขายได้ราคาดีพูดไปคุยมาก็พบว่าเออขยานี่มันมีราคานะมันทำรายได้เหมือนกันนะ เกิด ค, ความคิดนะเออาะั้นอยากก็ น, นั้นเลยนะเรามาขายขยะดีกว่าขายขยะนะก็เก็บขยะนะรวบรวมขยะรวมทั้งนะของเก่าที่คนทิ้งเวลาเนะ่ยเพราะว่าของบางอย่างมันก็ยังพอใช้ได้นะแต่คนก็ทิ้งใหม่ๆเนี่ยนะไปขอขยะตามบ้านชาวบ้านก็เขากไม่ให้นะไม่อยากจะเสียเวลาอย่างก็ต้องอาวุบายนะ เอาไข่นะเอาไข่ไก่หรือว่าเอาเสื้อผ้านี่ไปแลกแลกขยะนะต่อบ้านก็เริ่มเอาขยะเอาของเก่ามามาให้แก่เนี่ยก็เอาพวกนี้แหละไปขายขายก็บอกว่าขายได้ราคาแล้วบอกว่ายิ่งทํานะก็ยิ่งมีกาไรอีกิตการด้วยเลยขยายนะแล้วหลังก็ออกรถได้นะถอยลถได้เป็นของตัวเอง ก็ร้านก็ขยายมาจากภูหาเป็นสองภูหาด้านหลังก็มีสาขาเพราะว่าในสภาวะมันนะัํารวยตอนนี้ก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศนี่นะ600สาขานะแล้วก็มีโรงงานมีไซน์เคื่องใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็ทันสมัยที่สุดใ น, Asia. อนเอเชียกลายไป็นเศรษฐีไม่รู้ร้อยล้านหรือล้านนะเพราะขยาย ที่ตัดสินใจนะตายขยานนี่ก็เพราะว่าเห็นรดสาเล้งผ่านมาก่อนที่จะเห็นรดสาเล้งเนี่ยนะก็ไปที่บ่อนั้นก็ไปกราบหลวงพ่อปุจจัญานราและขอพรขอให้ได้มีโชคอกาก็ได้โชคจริงนะโชคที่ว่าคือว่า มีสรสชาเล้งผ่านมาแล้วก็เกิดความคิดว่าเราขายที่หยาดีกว่อันนี้ก็เรียกว่าหลวงพอง่อคเงราที่แก้ก็ศักดสรทธนะอยากได้โนี่เ็เจอโชคจริงๆนะแต่ว่าโชคนี้มันไม่ใช่เป็นเงินทองไม่ใช่เป็นลอตเตอรี่ละมาทิ้เงินเนี่ยนะมันคือรสารเล้ง น, นะสรสชาเล้งที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อสนใจหลายคนเห็นแล้วก็เฉยๆแต่วา่าผู้ชาไม่ใช่คนไทยนะคนไทยบูมเจรอรเนี อ้นีมันไม่ใช่ธรรมดานะเกิดความพิดขึ้นมานะแล้วก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตเปี่ยนแล้กลายมาเป็นเตรษฐีร่ำรวก็เหรถสายเล่งล้วสายเล่งนี่ก็เรียกว่าเป็นโชคนะคนเราเนี่ยมักจะหาโชคนะอยากจะได้โชคอยากจะมีโชคไปหาโชคบางทีก็เดินด้นไปนะไปที่นั้นที่นี่เพื่อจะหาโชคที่ริงโชคเนี่ยบางทีก็มาหาเรานะแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันสังเกตเนะี่ย ก็เราคิดว่าโชคนี่ต้องมาในรูปของนะดรถดนบ้านปูกลอร์รตเตอรี่นะเงทองลานะแันนี้โชคก็มาในรูปของรถสารเล้งนี่แหละนะมาแล้วเนี่ยทำให้เกิดความคิดขึ้นมาวันนั้นถ้าไม่ใช่สามเลงนกะ็คง ม, มีความคิดนะว่าจะเปลี่ยนอาชีพมาขายพิยาแล้วก็ชีวิตงไม่กลายเป็นคนร่ำคนรวย เราเนี่ยหลายคนก็นะแทบทุกคนนะอยากมีโชคนะอยากได้โชคแต่ว่าจะไม่เคยนึกเลยนว่าจริงๆโชคมันมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปหามันแมว่าไม่ค่อสังเกตนะไม่รู้ว่ากะมีโชคเมื่อ60ปีก่อนเนี่ยมันมีบริษัทใดญ่บริษัทหนึ่งก็คือบริษัทไมนะขายคอมพิวเตอร์วนหนึ่งก็ม้ชายเนี่ยเอาเอาเครื่องเครื่องนึ่งเนี่ยมา สเสมขายคล า, ายว่าจะมาจะมาชวนให้ไอบีเอ็มเนี่ยลองเปล ด, ดูแล้วเขาจะได้ขายดิกระเสรินเื่เอง น, นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะมันคือเครื่องอันาเครื่ออัำเนาแกไอบีเอ็มบอกว่าเฮ้ยก็ยจะอัดสำเนากันนะปก ต, ติเวลาใครเวลาพิมพ เ, เนี่ย การก๊ py ตีเพิ่มมากขึ้นเขาก็เพียงแต่เอากระดาษคาร์บอนเนี่ยอะางไว้ข้างหลังผู้เราเฟยมมันเป็นพดินเปเดซเซดต้องการตีสองก๊อกตก็เอากระดาษคาร์บอน่ะวางไว้ระหว่างกระดาษตาสองสองแผ่นตีหนึ่งก็ได้สองแล้วไอเดียมก็ไม่สนใจนะไอายคนนี้ก็เลยนะเลยทาเองก็เลยนะบริเตนก็เลยนะ กลายเป็นที่มาของบรนะิษัทสีหลอกเนี่ยบริษทสีหลอกเนี่ยก็าว่าสีหลอกเนี่ยเดีี้เราเราใช้คาว่าอสมเหนะเขาเชื่อไปสีหลอกเอกสารนี้หน่อยเนะี่ยที่มามก็มาทางนี้แหละนะคือเขาไปเข้าไปขายนะไอบีเอ็มนะ IBM, นะ IBM, นะไอบีเอ็มไม่สนใจนะเขาเล ย, ลยนะ oc, ไ, ปเไปทำเขาเองเลยเพราะว่ารวยนะไหลกกยเ็นบริษัทที่ร่ารวยมากไอีเอ็มเนี่ยนะมีโชค ม, มาหาชนที่นะ ไม่เห็นว่านี่คือโชคนะเนี่ยรายเบี้ยนะี่รับไว้นันนี่ก็รวยนะยิ่งวันนี่เองนะแต่คนเราเนี่ยมันมีโชคมาหาเราอยู่เรื่อยๆนะจริงแต่ว่าเราไม่รู้วนะ่านั่นคือโชคนะเพราะว่าหน้าตาแบบนัไม่าสวยน ะ, นะมันอาจจะไม่น้าไม่ชวนมองนะแต่ที่จริงนั่นแหละของดีนะนะอย่างาสารสชาตเล็นเนี่ยนะ เป็นโชคสาหรับคุณนะสมใจสมใจเลยนะร่ำรือได้เพราะว่าเห็นรถจักรเล่นะอันนะี้ก็เียว่าคงเป็นพ่อแรงบัทิดานนะของหลวงพ่อพระสินรามนะพออยากได้โชคนะก็มีโชคมาให้เห็นต่อนหน้าต่อตาเลยแล้วแกก็รู้ทันทีว่าเนี่ไยไรเลยนะก็เลยอันเห็นชีวิตนะแล้วก็ร่ารวยนะตอนนี้กาเป็นคนเดนคน แล้วก็ลองเอาไปเช็คดูนะนะโชคมันมาาเราทุกวันนะแต่ว่าดีที่ว่าเราจะรู้หรลูกสาวมันเปลี่ยนไปต่าวันนั้นแนหะคือของดีคนส่วนให ญ, ญ่อนให้โชคผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ก็นะเลยยังเหมือนเดิมนะแล้วก็เปิดรับพอ